่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องไม่เคารพธรรมชะวะชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่4สิงหาคม2537ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบะบัดนี้ค่ะ เรื่องชวะชาดกนะชอชิงบอแหวนแค่สองตัวเองแล้วก็ชาดกชวะนี่ลองเปิดผู้ชนาทุกกรมบาลีดูก็แปลว่าความต่ำช้านะคำนองเนี้ยแบบว่าสิ่งที่มันต่ำสิ่งที่มันเร็วซามอะไรพวกนี้ แต่จะมาตั้งเองชื่อภาษาไทยว่าไม่เคารพธรรมเริ่มเรื่องก็พระาศาสดารับสั่งให้เรียกพิสูพวกชับพัก ค, คีแล้วตรัสถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอนั่งบนอาสนะต่ำ แล้วแสดงธรรมแก่ผู้นั่งบนอาสนะสูงจริงหรือเมื่อพวกภิกษุฉัพคีกาบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็คือเนี่ยเริ่มเรื่องขึ้นมาผู้เจ้าก็เรียกพวกฉับพคีมาเลยแล้วก็ถามซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าในธรรมวินยัยนะปกติเนี่ยพระ ส่วนปาิโมกนะเขาจะมีปราชิกมีสังฆทิเศสมีอะไรไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงปะจิตตีแล้วก็จะมีเซกิยวัตต์ต่างๆอันนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งนะในวินัยบัญญัติเนี่ยมีบอกว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรม แกคนไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะสูงนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวินัยบัญญัติเลยซึ่งจะมีมาในพระไตรปิฎกเพราะนั้นทุกครั้งที่พระท่านสวดปฏิมโมกก็จะฟังอันนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้เท่ากับหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านย้ำเน้นในเรื่องของอะไร จะเป็นผู้แสดงธรรมก็ตามนะโดยเฉพาะผู้แสดงธรรมนั่นแหละย้ำเน้นว่าจะต้องอยู่ในอยู่บนที่อะไรคาว่าอาสนะนี่ก็หมายถึงว่าที่นั่งนั่นเองนะจะต้องอยู่ในที่นั่งที่สูงกว่าเป็นเหมือนกับธรรมเนียมนี่นนี่เป็นบัญญัติแล้วนะเพียงต่อยู่ในเสขิยวัตนเท่ากับบัญญัติว่าถ้าพระท่านจะแสดงธรรมกับบุคคลอื่นเนี่ย จะต้องอยู่ในที่ที่สูงกว่าซึ่งอันนั้นอันนั้นเป็นเพียงแค่รูปรูปเนี่ยสูงกว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วโดยอะไรโดนา น, านามธรรมก็หมายถึงว่าเราจะสอนใครหรือว่าเราจะให้อะไรใครไปเนี่ยใช่ไหมเป็นของสูงไงเพราะนั้นจริงๆแล้วคนเนี่ยควรจะยกเอาไว้ให้แม้แต่ผู้แสดงธรรมเองดีนะ <Okay. S 1> ผู้แสดงธรรมเองยังจะต้องรู้เลยว่า ธรรมะที่จะแสดงไปเนี่ยเป็นของดีเป็นของสูงที่ผู้แสดงธรรมเองก็จะต้องยกไว้ให้สูงด้วยไม่ชั่นไม่ใช่ว่าเอาไปลงต่ำํนะสำสําหรับผู้แสดงธรรมตอนนี้ผู้ผู้รับธรรมผู้ผู้ที่ฟังธรรมผู้ที่ฟังธรรมก็เหมือนกันก็จะต้องรู้ว่าการที่มาฟังธรรมเนี่ยถ้าสมมุติว่ายกย่องว่านี่เป็นสิ่งดีใช่ไหม เราก็ถือว่าเป็นของสูงเพรา ะ, ะั้นผู้ฟังธรรมเนี่ยควรจะยังไงควรจะคิด อ, อ, นน อ, นนอันนั้นเป็นรูปธรรมก็คือว่าควรจะนั่งต่ํากว่านะอันนั้นเป็นรูปธรรมแต่ถ้าโดยจิตวิญญาณเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะรับธรรมะได้ดีมีอยู่ข้อนึงจําได้ไหมว่าอย่าคิดว่าตัวเองรู้แล้วแล้วก็ฟังธรรมถ้าคิดว่ารู้แล้วแล้วก็ฟังธรรมเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลย เพราะฉะนันเราควรจะคิดว่าเรายังไม่รู้หรือเราควรจะคิดว่าธรรมะนะ่ะเป็นของสูงใช่ไหมเราเองเนี่ยอาจจะยังต่ำอยู่ถ้าคิดอย่างนี้คนนั้นเวลาฟังธรรมนี่ใจยังไงจะตั้งใจฟังเพราะรู้สึกว่าเออฟังแล้วคงจะได้ประโยชน์คงจะได้แง่บุงเพิ่มคงจะเกิดสติปัญญาเกิดอะไรอีกหลายหละอย่างขึ้นมา เพราะอันนี้เป็นเหมือนกับกุศโลบายอย่างหนึง่งนะแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะทำเป็นกุศโลบายเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมด้วยเป็นสัจจะด้วยที่ว่าเราถือว่าธรรมะเป็นของสูงเนี่ยเราต้องต้องยกให้ต้องยกไว้นะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วทั้งลูกประธรรมแล้วก็ทั้งนามปธรรม เพราะนั้นถ้าใครเนี่ยเข้าเข้าใจบินัยบัญญัติอันนี้ได้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อทำไมฟังธทำแล้วเนี่ยจะเกิดมรรคผลได้ก็เพราะว่าเราให้ความเคารพนั่นแหละแล้วเราถึงจะได้ผลถ้าไม่มีอันนี้แล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรแล้วก็เป็นการกดธรรมะให้ต่ําด้วยนะกดธรรมะให้ต่ําด้วยแล้วก็เท่ากับว่า ถ้าเราเนี่ยไปนั่งที่สูงฟังแล้วก็คนแสดงธรรมนั่งที่ต่ําก็เท่ากับเหมือนกับว่าพูดง่ายๆว่าเราฟังธรรมอย่างดูหมิ่นเข้าใจไหมคือจิตนี่ยแหละจิตเนี่ยมันมันมันดูหมิ่นแล้วเพราะถ้าเรามีจิตอย่างเงี้ยคิดง่ายๆถ้าเรามีจิตดูหมิ่นในการฟังธรรมหรือว่าเพ่งโทษในการฟังธรรมเราเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะมันจะได้แต่มันจะได้แต่จุดที่ที่เราเนี่ยอะไรอ่ะ ฟังแล้วก็คิดคิดในแง่ลบหรือว่าในแง่ติเตียนคนแสดงทํด้วยซ้ำไปเพราะนั้นจะไปได้อะไรมันก็มันได้ได้แต่การเพ่งโทษเท่า น, นั้นเองมันจะไม่ได้คุณประโยชน์ที่ควรจะได้อันนี้ก็ขยายให้ฟังหน่อยนะตอนนี้พอผู้วิจารณท่านตัดอย่างนี้แล้วแล้วก็ชาพาคีก็ยอมรับนะว่าเป็นอย่างนั้น พระาศาสดาจึงทรงตรีเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอไม่กระทำความเคารพในธรรมของเรานั้นไม่สมควรเลยด้วยว่าโบราณบัณฑิตทั้งหลายได้ตีเตียนอาจารย์ผู้นั่งอาสนะต่ำบอกสอนมน์แก่ผู้นั่งอาสนะสูงกว่าคือพระเจ้าท่านก็บอกว่า เนี่ยการที่พวกชาวพักคีเนี่ยไปแสดงธรรมแล้วนั่งในที่ต่ําอย่างเงี้ยนะแสดงธรรมให้กับคนนั่งในที่สูงฟังเนี่ยท่านถือว่าเท่ากับว่ามองเห็นธรรมะของของพุทธเจ้าเนี่ยว่ามันไม่มีค่าถึงได้เอาไปแสดงธรรมอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพถ้าอย่างนี้แล้วคนฟังนี่จะไม่ตั้งใจฟังแล้วก็ จะไม่ฟังด้วยความที่ศรัทธานะจะไม่ฟังด้วยศรัทธาเพราะว่าอัตมาบอกแล้วว่าลักษณะมันจะออกไปเชิงที่ว่าเหมือนกับดูหมิ่นแล้วเพราะฉะนั้นจิตจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาพอนี่นะมันจะไม่ไม่ตั้งใจไม่มีอิทธิบาทเออลงไปได้ดีถ้ามันไม่มีตัวศรัทธาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าจะแบบว่า ฟังอะไรแล้วได้ประโยชน์มากมากได้อะไรดีเนี่ยมันจะต้องมีตัวศรัทธานะศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้มีฉันทะทุ่มลงไปได้อย่างดีเลยซึ่งฉันทะเนี่ยมันจะทำให้เราสำเร็จรุ่งรุ่งได้ในที่สุดอันนี้ท่านท่านก็เลยเปรียบว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็มีมาแล้วนะก็คือเรื่องที่ท่านจะเล่าต่อไปแล้วทรงดำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตคลองราชสมบัติในนครพาราณสีชายคนหนึ่งมีชาติกําเนิดจากตระ ก, กูลของคนจันทานไม่รู้เข้าใจไหมคำว่าคนจันทานในในของชาวอินเดียเนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่วันนะสี่วันณะมีวันณะอะไรบ้างวันณะอะไรเ อ, อ, อันที่หนึ่งอ้าวอาวพาม์ก็ได้เอา สองกษัตริย์แพทย์แพทย์นี่หมายถึงพวกไหนแพทย์พวกหมอหรือแพทย์แพทย์หมายถึงพวกพ่อค้านะและสุดท้ายสูตรพวกใ ส, ส่สูดหรือเปล่ า, า <c oughs> เอา่อพวกรับจ้างพวกกรรมกรต่างๆนะอา้าวไม่เห็นมีพวกจันทันเนี่ยฮะพวกจันทันหมายถึงพวกไหน อ้าว ก, กรรมกรกรรมกรนี่รวยเหรอพวกสูตรอ่ะพวกสูตก็จนใช่จันทานหมายถึงว่าคนที่ต่างวันน่ะเนี่ยมาแต่งงานกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะค่อนเป็นใหทางคือเขาจะถือผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหเอ่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจันทานนี่หมายถึงว่าอย่างเช่นเอาวันนะพราหมณ์ก็ได้หรือว่ากษัตริย์ก็ได้นะฝ่ายฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายผู้หญิง ส่วนพวกแพทย์หรือว่าพวกสูตรเนี่ยเป็นฝ่ายพ่อนะเนี่ยไปแต่งงานกันคือคนละวันนะไปแต่งงานกันโดยที่แม่เนี่ยมีวันนะต่ํากว่าต่ํากว่าพ่อพเขาจะเรียกว่าจันทานฮะเ อ, เ อ, เอ้แม่นี่มีวันณะสูงกว่าพ่อนะอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าพวกจันทาน คือพวกแต่งงานกันโดยต่างบรรณะกันเอาพ่อสูงกว่าไม่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเข้าใจไหมแต่เขาก็ถือเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยใช่ไหมไปแต่งกับบรรณะอื่นเนี่ยโอ้โหก็ต้องโดนว่าเละแหละเพราะว่าพวกนี้เขาถือชั้นบรรณะมากเลยกษัตริย์ต้องแต่งกับกษัตริย์นะพวกพราหมณ์แต่งกับพวกพราหมณ์คือคือเขาถือชั้นบรรณะมาก ชนชั้นนั่นเองเรื่องของมันนะคือเรื่องของชนชั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ ย, ม, ม, ยมันเหมือนกับอย่างเนี้ยมันเหมือนกับนี่นีสมมุตินะยกตัวอย่างถ้าเราเราเรามาเปรียบกับกับศีลห้าศีลแปดอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกับคนศีลห้าไปอยู่กับคนศีลแปดไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงแต่งงานนะแต่อนาเปรียบเทียบคนคนศีล ห้าไปอยู่กับศีลสิบหรือว่าศีลของพระอะไรอย่างงี้นะขึ้นไปมันอยู่กันยากอะ่ะเข้าใจไหมมันต่างวันนะกันเนี่ยมันอยู่กันยากคนจะไม่ค่อยยอมรับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเปรียบเปรียบอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนที่มีศีลสูงกับคนที่มีศีลต่ําเนี่ยถ้าโดยธรรมะจริงๆแล้วจะไม่มีปัญหาจะอยู่กันได้ก็อยู่ตามศีลของตนแต่ในที่สุดมันจะมีตัวอะไร ตัวศีลเสมอกันจําได้ไหมศีลเสมอกันอันนั้นน่ะมันจะเป็นตัวที่ที่ดีที่สุดว่าศีลเสมอกันเนี่ยว่า อ, อะไรอะ่ะการประพฤติการปฏิบัติอะไรเนี่ยมั น, ม, นมันเท่าเทียมกันทําอะไรไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะง่ายแม้แต่ในเรื่องของการปกครองในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้แต่ในเรื่องของจารีตประเพณีหรือนี่แหละ วินัยหรือว่าศีลอะไรเนี่ยมันจะทําให้ง่ายในการปกครองง่ายในการดูแลแต่อันนี้เนี่เป็นเรื่องของศีลแต่ถ้าเรื่องของชนชั้นเนี่ยไม่ถูกต้องพระเจ้าท่านพยายามล้มทิ้งเดิซ้ำไปเรื่องของการถือชนชั้นถือว่าจะต้องเป็นประสทาทพรมแพทยสูตรอะไรเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าใครมาบวชเป็นภิกษุของในาศาสนาพุทธแล้วนี่ ท่านกลับบอกว่าไม่มีชนชั้นเลยเรียกว่าล้างชนชั้นทิ้งหมดจะมีแต่ศีลเทนะที่ไม่เสมอกันเพราะศีลห้าคือพวกศีลห้าเพราะเรื่องของศีลห้าศีลแปดศีลสิบ น, น, นี่ไม่ได้เป็นการแบ่งชนชั้นแต่เป็นเพียงการบอกถึงฐานะของของความสามารถของแต่ละคนที่จะประพฤติดีได้มากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ไม่ได้เป็นการแบ่งชนชั้นนะแต่แต่เป็นการ ในแง่ของของความดีมากกว่าว่าว่าเออใครสามารถที่จะทำดีได้มากใครสามารถจะทำดีได้น้อยกันแต่ถ้าในด้านของของวันนะที่เขาแบ่งชนชั้นเนี่ยนะหรือว่าเชื้อชาติอะไรพวกนี้อันนั้นน่ในแง่ของเขานี่แง่กดขี่มากกว่าเพรา ะ, ะนั้นถ้าชั้นนี่สูงกว่าแกนี่ชั้นต้องกดขี่แกได้แกไนี่ห้ามอย่างเช่นห้าม อะไรอ่ะเ อ, ะอะห้ามเดินบนถนนห้ามขึ้นรถไฟห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะทีห่หนังคารทีที่เขาก็สร้างมาให้ดูอ่ะว่าห้ามเลยห้ามใช้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเป็นการแบ่งชนชั้นซึ่งองนันมันเป็นในแง่ลบแต่อย่างของผู้เจ้านี่ถ้ามีอะไรโสดาสกิทานาคาอะไรนี่เป็นไปตามธรรมไม่ใช่เป็นไปโดยที่เรียกว่า ไปแบ่งชนชั้นกันด้วยเจตนาที่จะกีดกันอะไรง้ยนะนี่คือคว า, ามแตกต่างาก็ชายคนหนึ่งมีชาติกำเนิดจากตระกูลของคนจันทานเขาขยันทำงานจนตั้งตัวได้จึงแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งอยู่กันมาจนกระทั่งเมียตั้งท้องนางเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินมะม่วง จึงขอกับผัวว่าพี่ช่วยฉันทีฉันอยากกินมะม่วงนะแพ้ท้องหน้านี้พอดีนี่หน้ามะม่วงว่าเนี่ยไม่ใช่เหรอจะวายแ ล, ล้วเหรอหน้าลำไยแล้วสงสัยต้องแพ้ท้องให้ถูกหน้าด้วยนะไม่อย่างนั้นอาจจะอดกิน <c oughs> แปลกๆนะอย่างเราดูละครเรื่อง อะไรนะอริยะจอมราชันแมมอยากจะ ก, กินเลือดของพระเจ้าปิมพิสารเออแ ป, แปลกๆนะแ้แพ้ท้องอะไรแปลกๆอย่างนั้นไม่รู้เขาแต่งขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะออมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะที่แพ้ท้องแล้วอยากจะ ก, กินกินน้ำเนี่ยนะล้างพระขันของกษัตริย์องค์หนึ่งมาฟังแล้วก็เออแปลกๆแพ้แพ้ท้องอยังไงเนี่ย จริงๆจะแสดงว่าอาตมาว่ามันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแพ้ท้องโดยตรงทีเดียวนะอาตมาว่าเกี่ยวกับจิตมากกว่าจิตที่คล้ายๆว่ามันห่วงมันกลัวมันกันวงวลในในี่ ใ, ใ, ใ, ใ, ใช่ไหมคือคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเวลาป่วยเวลาเจ็บอะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะหาอะไรเนี่ยให้มามาเป็นสุข นะหรือว่ามาเสพให้สมใจตัวเองได้เนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้ความทุกข์ที่มีอยู่มันบรรเทาลงเพราะอาจมาว่าตอนเนี้ยตอนที่กําลังแพ้ท้องหรือว่าป่วยอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นนะ่ะพอคิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อยากจะให้เรื่องนั้นนะ่ะสมใจมันจะได้พอสมใจจะได้เออรู้สึกสบายขึ้นแต่ถ้าไม่สมใจมันยังหงุดหงิดใช่ไหมคือจะมีเรื่องอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ ไปลองสังเกตดูสิถ้าเวลาเราป่วยหรือบางทีไม่ต้องป่วยก็ได้เจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรเนี่ยนะถ้ามันมีเรื่องอะไรคาใจเราอยู่เนี่ยไอ้เรื่องนั้นะเรารู้สึกว่าเราอยากที่ต้องให้ได้ต้องให้ได้ต้องให้ได้เพราะจริงๆมันเป็นมันเป็นการป่วยทางจิตด้วยอย่างหนึ่งว่าต้องให้ได้อย่างนี้นะถ้าไม่ได้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหไอ้ร่างกายก็จะยิ่งป่วยหนักขึ้นไอ้จิตก็จะยิ่งป่วยขึ้นมันจะเป็นสภาพนั้นแต่อันนี้เนี่ยอาตมาว่ามันเป็นเป็นในทางจิตมากกว่า การ์ตันที่จริงๆเฮ้มันจำเป็นเหรอแพ้ท้องต้องกินมะม่วงต้องกินไอโน่ไอนี่อะไรที่ปแปลกๆอะรามว่ามันไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจิตใครเดี๋ยวมันมีสภาพยังไงมันก็ต้องการอย่างนั้นให้สมใจให้ได้อตอนนี้พออยากกินมะม่วงแล้วยังไงก็สามีผัวของนางจึงกล่าวว่าในฤดูการนี้มะม่วงไม่มี ที่จะทาผลผ ล, ลไม้เปรี้ยวอย่างอื่นมาให้นะสงสัยอันนี้นี่วายไปแล้วมะม่วงนะอธิบายแล้วก็เลยคิดว่าไม่รู้จะไปหาได้ไงเอาของเปรี้ยวอย่างอื่นได้ไหมเนะียเมียของคนจันทานรีบกล่าวว่าฉันดักฉันอยากได้ผลมะม่วงเท่านั้นถึงจกมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตนี้ก็จะหาไม่ อาการหนักนะคนจันทานนั้นมีใจรักไข่เมียของตนมากจึงคิดว่าเราจะหามะม่วงให้ได้ที่ไหนหนอก็เห็นเมียตัวเองพูดมาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยก็รักอ่ะรักเมียตัวเองมากก็เลยยังไงจะต้องหาให้ได้สักเลมัง้งแต่จะไปหาที่ไหนสมัยนั้นเองในพระราชอุทยานของพระเจ้าพระนศีได้มีต้นมะม่วง ซึ่งมีผลเป็นประจำตลอดปีคนจันทานนั้นจึงหมายใจว่าเราจะนำผมมะม่วงจากพระราชอุทยานนั้นเพื่อระงับความแพ้ท้องของเมียเราเอาแล้วนะคราวนี้ตั้งใจจะไปเอาที่ที่สวนของพระเจ้าพระนศีและดังนั้นในตอนกลางคืนจึงไปยังพระราชอุทยานรอบปีนขึ้นต้นมะม่วงแอบซ่อนตัว ปีนปายมองดูผลมะม่วงกิ่งนั่นบ้างกลิ่นนี้บ้างจนกระทั่งฟ้าสางปรากฏว่าแอบเข้าไปปีนอุทยานเนี่ยมันไม่มไม่ใช่พระราชวังนะอุทยานเนี่ยมันก็กนเลยแอบเข้าไปได้ง่ายนะแล้วก็ไปเที่ยวหามะม่วงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ฤดูแล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยมีอยู่แค่ต้นเดียวเนี่ยที่แบบว่า ออกลูกอยู่บ่อยต้นนี้นะก็ปีนขึ้นไปแล้วก็กว่าจะเดินทางไปอุทยานกว่าจะรอบเข้าไปได้กว่าจะปีนกว่าจะหาผลมะ ม, ม่วงได้เนี่ยก็ปรากฏว่ารุ่งเช้าพอดีเขาจึงคิดว่าหากเราจะลงในตอนนี้มาถึงลงจากต้นมะม่วงนี่นะคนเฝ้าพระราชอุทยานคงเห็นเราเข้าแล้วก็จะจับเราว่าเป็นโจร ฉะนั้นเราจะไปในตอนกลางคืนหมายถึงว่าแอบไปแล้วนะได้มาม่วงแล้วไม่รู้ไดอย่างนั้นแต่เขาบอกอย่างเงี้ยก็คงแสดงว่าก็คงจะต้องได้แต่ทันที่จะปีน ล, ลงมาอย่างเงี้ยคิดว่าเอ้มันสว่างแล้วถ้าปีน ล, ลงมาก็เดี๋ยวคนเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องรอทั้งรอบนต้นอะไรๆจนถึงกลางคืนก่อนแล้วจะแอบลอบออกมาอีกที เขาจึงปีนขึ้นยังคาคบแห่งหนึ่งแอบซ่อนตัวอยู่ขนาดนั้นเองเป็นเวลาที่พระเจ้าพระณสีทรงจะเรียนมนในสานักของพุโรหิตพระองค์จึงเสด็จเข้าไปยังพระราชอุทยานประทับนั่งบนอาสนะสูงหน้าที่คนต้นมะม่วงนั้นเองก็ปรากฏว่าแหมมาเรียนที่ไหนก็ไม่เรียนนะช่างบังเอิญเสียจริงมาเรียนที่ใต้ต้นมะม่วงนี้ ส่วนอาจารย์ต่วนี้นะพอพระราชานี่มาถึงก็เอาเลยขึ้นไปนั่งที่ประทับอะ่ะซึ่งซึ่งสูงนะขึ้นไปนั่งเลยส่วนอาจารย์นั่งอาสนะต่ำแล้วสอนมนให้คนจันทานนั่งอยู่บนต้นไม้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าพระราชานี้ประทับนั่งอยู่บนอาสนะสูงเรียนมนย่อมไม่ทรงเคารพรม เอาเนะคนจันทายคนนี้คิดเลยบอกโอ้พระราชาทำไมนั่งสูงอย่างนี้แสดงว่าไม่เคารพธรรมแม้พรามปุโรหิตผู้นั่งอาสนะต่ำสอนมนก็ไม่เคารพธรรมเช่นกันนี่นี่เป็นความคิดในใจของเขาแม้เราเครานี่นะ <c oughs> คือพอพอคิดไปถึงกษัตริย์นั่งที่สูงเรียนพอคิดไปถึง พราหมณ์ที่มาสอนนี่นั่งที่ต่ำสอนก็เลยย้อนมาคิดถึงตัวเองแม้เราก็ไม่คำนึงถึงชีวิตหมายถึงว่าอุตสาแอบเข้ามาในอุทยานเนี่ยแม้เราก็ไม่คำนึงถึงชีวิตได้บอกได้บอกกับเมีย ว, ว่าจะรักมะม่วงให้รักขโมยนั่นเองจะรักมะม่วงให้เพราะเหตุแห่งมาตุคามก็เป็นผู้ไม่เคารพธรรม คือย้อนมาดูตเองมาโอ้โหเนี่ยเราอุตส่าห์มาขโมยมาม่วงแสดงว่าพลยันธาเนี่เป็นคนที่คิดยุติธรรมได้ดีพอสมควรประเภทแบบว่าดูหนังแล้วยอนมามองดูตั ว, ต, วตัวเองด้วยไม่ใช่ประเภทว่าโอ้โหนี่กษัตริย์นี่ก็ไม่เคารพธรรมพระนี่ก็ไม่เคารพธรรมถ้าอย่างนี้ถ้าคิดแค่นี้นะจบนะแสดงว่าเป็นคนที่มีแต่มองคนอื่นเขาลืมมองตัวเองเหมือนกับเราดูหนังเนี่ยบางทีโอ้โหวิจารแหลกเลยนะ ดูหนังโอ้ตัวนั้นเร็วตัวนั้นดีอย่างง้อย่างนี้นะแต่ลืมมองตัวเองบางทีตัวจริงของตัวเองนี่อาจจะแย่กว่าในละครในหนังอีกเพราะนั้นเราถึงได้มีย้ำเอาไว้ว่าดูละครแล้วดูหนังดูละครแล้วต้องย้อนดูตัวเองเพราะนั้นนี่ทำตามสูตรเป๊ะเลย <c oughs> นะคนจันทรานคนนี้ย้อนมาดูตัวเองว่าโอ้ตัวเองนี่อุตส่านะ ยอมตายยอมเสี่ยงชีวิตเพราะ ถ, าถ้าโดนจับได้ต้องโดนลงโทษอุซาเนี่ยแหละหามะม่วงจะให้เมียตัวเองเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วก็มาขาโมยเขาก็ผิดศีลเหมือนกันก็ไม่เคารพธรรมเหมือนกันดังนั้นเองจึงตัดสินใจปีนลงจากต้นมะม่วงเนยะพอคิดถึงอย่างนี้เสร็จใช่ไหมรูกโอ้แย่เราก็แย่นะหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยก็แย่ก็เลยปีนลงมาเลยคนี้ มายืนเฉพาะอยู่ระหว่างพระราชาและพระรามปุโรหิตแล้วกราบทูลว่าไม่รู้คิดยังไงปีนลงมาเอะแปลกนะพอคิดว่าพระราชาก็แย่พระรามก็แย่ตัวเองก็แย่คิดไปคิดมาเอา้าเลยตัดสินใจปีนลงมาเลยถ้เาเป็นเราอะเป็นเราเราจะปีนลงมาปะ่ะปีนลงมาก็เสร็จตอนนั้นเองใช่ไหมตั้งแต่นี้ตัวข้ามคนจันทา น, นี้กับพอคิดแล้วนี่อาตมาว่าคง ได้สติคงมีสำนึกขึ้นมานะก็เลยก็เลยปีนลงมาอา้าวเขาจะพูดว่างไงคนนี้ปีนลงมาแล้วก็มาอยู่ระหว่างนี่นะกษัตริย์กับกับพรบพาหมณ์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระบาทเป็นคนจิบหายแล้วส่วนพระองค์ทรงเป็นผู้เขา่าและพราหมณ์ปุโรหิตเป็นคนตายแล้ว ลงมาถึงก็พูดอย่างนี้เลยนะพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจีบหายแล้วส่วนกษัตริย์เนี่ยยังเป็นคนเข่าอยู่ส่วนพราหมณ์ที่มาสอนมนเนี่ยเป็นคนที่ตายแล้วลงมาพูดอย่างนี้ก็ถ้าเป็นเราอะ่ะเราลองนึกดูซิถ้าอยู่ดีมีคนปีนลงมาจากต้นมะม่วงนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็มาบอกอย่างนี้เป็นเราเราจะยังไงเนี่ยจะเกิดสภาวะอะไรขึ้น ฮะอาตมาว่าก่อนจะโมโหนี่จะเป็นยังไงฮะยังไงนะเอ อ, อย่างน้อยก็ต้องงงอะ่ะก่อนที่จะ ง, งงคืออะไร <c oughs> อยู่ดีก็มีคนโผล่มาจ า, จากทอดมะม่วงลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยเป็นเราก็อ่านดูนะนะ <c oughs> พระราชาทั้งตกพระไทยทั้งสงสัย ตัดถามว่าเพราะเหตุอะไรเจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นเล่าก็อยู่ดีดีะนะแล้วคิดว่าคงยังไม่มีใครอ่ะก็ เ, เลยทั้งตกใจทั้งสงสัยด้วยคนจันทานกราบทูลต่อพระองค์ว่าเพราะกิจทั้งหมดที่เราทั้งหลายทำแล้วนี้เป็นกิจอันลามกนี่แหละชวะนี่แหละเป็นกิจที่หยาบช้านะหรือว่าลามกนั่นเอง เป็นกิจลามกไม่เป็นธรรมคือฆ่าพระบาทเองประพฤตินตนให้ฉิบหายเสียที่ทําเยี่ยงโจปรปล้นผลมะม่วงในที่นี้นเขาก็เฉลยลาวันที่บอกว่าเขาเอง เ, เป็นคนฉิบหายเสียแล้วก็คือนี่แหละเขามา ข, ม โ, มนะมาขมโมยมาขโมยมะม่วงเท่ากับว่าเขาทําความฉิบหายให้กับตัวเองแล้วส่วนคนทั้งสองไม่เห็นธรรม คนทั้งสองเคลื่อนจากปกติเดิมก็คือท่านบุโรหิตผู้เป็นอาจารย์นั่งบนอาสนะต่ำบอกมนและพระองค์ผู้เป็นสิทธิ์และพระองค์ผู้ผู้เป็นสิทธิ์เขาวกว่าอาจารย์กลับนั่งบนอาสนะสูงเรียนมนเขาก็เฉลยละเฉลยที่เนี่ยบอกว่าทำไมบอกว่าพระราชาคนนี้โง่ ที่บอกว่าพระราชาคนนี้โง่ก็คือหมายถึงว่าดูสิจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์จะฉลาดกว่าอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะฉลาดกว่าลูกศิษย์อาจารย์ต้องฉลาดกว่าใช่ไหมวันจริงๆแล้วลูกศิษย์ต้องโง่กว่าแต่ทําไมลูกศิษย์เนี่ยโง่กว่าอาจารย์แล้วทําไมถึงไปทําตัวสูงกว่าอาจารย์เหมือนอย่างกับบางทีเนี่ยยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าพ่อท่านสอนพวกเราเนี่ยเรายอมรับไหมว่าพ่อท่านเนี่ย มีธรรมะนะหรือว่ามีคุณธรรมหรือว่ามีสติปัญญาเนี่ยสูงกว่าเราถ้าเรายอมรับว่าท่านสูงกว่าเรานี่เราจะต้องเคารพใช่ไหมเออเราจะต้องเชื่อฟังหรือว่าเชื่อมั่นอะไรอย่างงี้แต่ถ้าทําอย่างนี้เท่ากับว่าหมายความว่าไม่ได้ให้ความเคารพไม่ได้ให้ความเชื่อฟังไม่ได้เชื่อมั่นมันถึงบอกว่าถ้าเป็นสิทธิ์อย่างนี้ก็ก็เป็นสิทธิที่โง่ เป็นสิทธิที่โง่ความหมายของของคนยันทานเนี่ยบอกว่าอย่างเงี้ยกษัตริย์คนนี้ก็โง่เท่านั้นเองส่วนท น, น, นี้บอกว่าพรามปุโรหิตก็เท่ากับคนที่ตายไปแล้วหมายความว่าไงอะไรคือคนที่ตายแล้วทั้งนั้นที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีสำนวนนดึงความประมาทผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้ว วันนั้นเท่ากับว่ า, าพามปุโรหิตนี่ทำอย่างนี้นี่ไม่เครารพธรรมเลยประมาทในธรรมผู้เจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าความประมาทนี่เป็นอะไรเป็นยอดเป็นเป็นยอดแทงแห่งธรรมทั้งหลายนะค ว, ความไม่ประมาทเนี่ยความไม่ประมาทเป็นยอดแทง กุศลละทำของของทำมาทั้งหลายเนี่ยแหละความไม่ประมาทเนี่ยแหละเป็นยอดที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนี้เท่ากับว่าประมาทแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ตายแล้วนะพระามณ์ปุโรหิตได้ฟังดัง น, นั้นจึงกล่าวว่าเราบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีขาวสะอาดปรุงด้วยเนื้อสัตว์มีประการต่างๆ เพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ผูกพันมีเยื่อใยในอาหารไม่ได้ซ่องเสพธรรมที่พวกฤษีผู้สแสวงหาคุณซ่องเสพอยู่ปรากฏว่าพอพราหมณ์คนนี้ได้ฟังเข้าเท่านั้นเองก็เกิดจิตขึ้นมานะได้สติขึ้นมาก็เลยบอกว่าโอ้เนี่ยเราเนี่นะกินข้าวอย่างดีเพื่อง่ายว่าเท่ากับพระราชาเนี่ยจะต้อง ถวายพัดใช่ไหมถวายอาหารใช่ไหมให้ให้กับพรามพวกเนี้ย